ถ้ามีแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยจะดีไห ม, มนั่นเป็นคาตอบที่ถ้ามีแต่ความชุขอย่างเดียวไม่มีสุขเลยจะดีไหมก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยใช่ไมเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดจะต้องมีทั้งมืดและทั้งสว่างเพื่อเราจะได้สมดุลใช่ไมชีวิตที่ดีที่สุดก็มีทั้งความสุขและความทุกข์